สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่29ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้เมื่อคนชอบทำทวีอำนาจประชาชนก็เปรมปรีแต่เมื่อคนชั่วร้ายครอบครองประชาชนก็คร่าครวญ บุคคลผู้รักปัญญาย่อมทำให้บิดาของเขายินดีแต่ผู้ที่คบค้าหญิงแพร่สยาก็พลานทรัพย์สินของของเขาพระราชาทรงให้เสถียรภาพแก่แผ่นดินด้วยความยุติธรรมแต่องค์ที่ทรงบีบครั้งเอาของกำนันก็ทำให้แผ่นดินย่อยยับคนที่ป่อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางขายไว้ดักเท้าของเขาคนชั่วติดกับอยู่ในความทรยศของตน แต่คนชอบทาร้องเพลงและเลปรมปรีพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นก็อยู่ในทางเลือกเสมอเวลาที่เราเดินมากำพีกาลังเปรียบเทียบว่าเดินมาถึงทางสองแพ่งเราจะเลือกระหว่างความดีความชั่วความอธรรมกับความชอบธรรมเสียงต่างนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพราะการเลือกทั้งสิ้นในบทที่2ี่ข้อที่1 แต่พูดถึงเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอปเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้พี่น้องครับเวลาที่เราถูกเตือนสตินะครับเรามีทางเลือกสองทางก็คือเชื่อฟังอันที่สองคือดื้อด้านแข็งคอคำว่าแข็งคอนั้นก็คือดื้อดึงปฏิเสธที่จะกลับใจหรือยินดีฟังการตักเตือนนะครับ นี่คือสิ่งเป็นทางเลือกพี่น้องครับทางเลือกนั้นสำคัญครับและการเลือกสำคัญเวลาที่พระกัมภีอธิบายว่าแข็งคอเป็นภาพที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ครับมันหมายถึงวัวที่หันเหไปอย่างดื้อดึงและต่อเนื่องหลีกเลี่ยงที่จะใส่แอกเวลาประยุกต์ใช้กับมนุษย์ก็พนันนาถึงคนที่ต่อต้านดื้อดึง ที่จะทำสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเขาเองแล้วก็โดยไม่สนใจความถูกต้องไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจคำตักเตือนนี่แหละเกิดความเสื่อมครับในชีวิตของเขาและนำไปสู่ความตายในที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราจะเลือกเลือกให้ดีครับเลือกที่จะเชื่อฟังคาตักเตือนในข้อที่2นะครับคนชอบทำทวีอำนาจประชาชนก็เปรมปรีแต่เมื่อคนชั่วร้ายครอบครองประชาชนก็ข่มครวญ ประชาชนก็มีสิทธิเลือกครับสิทธิเลือกที่จะมีผู้ปกครองที่ดีหรือผู้ปกครองที่ไม่ดีผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีนั้นก็คือคนชอบทำทวีอำนาจประชาชนก็รับผลของการเลือกที่ดีก็คือเปลี่ยปลี่แต่เวลาคนชั่วร้ายผู้ครอบครองผู้ปกครองที่ชั่วร้ายนะครับประชาชนก็ข้ามกลวนเพราะว่าคุณต้องรับผลของการเลือกของเราประการต่อไปครับ ในข้อที่3ามบุคคลผู้รักปัญญาย่อมให้บิดายินดีแต่ผู้ที่คบค้าหญิงแพทย์สยาก็ผลานทรัพย์สินของเขาเช่นเดียวกันครับเราเลือกที่จะเป็นคนที่มีปัญญาก็ทำให้ครอบครัวของเราเกิดความนิยมชมชอบมีความชื่นชมยินดีแต่ในขณะที่เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ตรงกันข้ามผลานบิดาพลานทัพสมบัติโดย การไปคบค้าสมาคมกับผู้หญิงแพทย์สยาก็ทำให้ในที่สุดแล้วบ้านเรือนของเรานั้นก็ไปถึงความพินาศนั่นคือการเลือกอีกอย่างหนึ่งครับในข้อริสีเช่นเดียวกันครับการเลือกก็ของพระราชาครับพระราชาทรงให้สเสถรภาพแห่งแผ่นดินด้วยความยุติธรรมแต่องค์ที่บีบคั้นเอาของกำนันหมายความว่าคนที่ขอรับชันผู้ปกครองที่คอรัชันผู้ครอบครองที่อรับชัน พระราชาที่คอร์รัปชันก็จะย่อยยับพี่น้องครับพระราชาก็เลือกได้เหมือนกันครับว่าจะเป็นพระราชาที่ดีนักปกครองก็เลือกได้ครับผู้ปกครองก็เลือกได้ครับตลอดจนผู้บริหารผู้บังคับบัญชาก็เลือกได้ว่าเราจะดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมหรือเราดํารงตัวเองอยู่ในความช่อฉนข้อต่อไปข้อที่5ครับคนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกลางขายไว้ดักท้าของเขาคนชั่ว ขอครับคนชั่วติดอยู่กับในความทรยศของตนแต่คนชอบทำร้องเพลงและเลปรยปรีที่นี่ก็เป็นการเลือกอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะเป็นคนพ่อยอเพื่อนบ้านเราจะเป็นคนชั่วมันก็จะติดกับความทรยศของตัวเองก็เหมือนกับการกางตาขายไว้ดักท้าของตัวเองเมื่อถึงเวลาเราก็จะถูกจับถูกมัดในจากสิ่งที่เราทำครับ แต่คนชอบทำร้องเพลงและเปี่ยมปรีนั่นหมายความว่าเมื่อเราเลือกที่จะเป็นคนชอบทำนะครับสิ่งที่ตามมาผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีความชื่นชมิน ด, ดีเราจะสามารถร้องเพลงได้เราจะมีความเปี่ยมปรีพี่น้องอย่าลืมนะครับหากเราเป็นคนชั่วร้ายเราก็จะติดกับที่ตัวเองคิดขึ้นมาในขณะที่หากเราเป็นคนชอบทำเราจะดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากความวิตกทุ้งร้อน เราไม่ต้องกังวลว่าการกระทาของเราจะกลับมาตอบสนองเราขออย่าให้เราเป็นคนป้อยอครับนำความเพลิดเพลินมาให้คนอื่นอย่างไม่ถูกต้องยั่วยวนคนอื่นโดยใช้คำพูดที่หรูหราสละสลวยแต่ไม่มีความจริงใจมันเป็นคำพูดที่สวยหรูที่หลอกลวงเพราะมันมุ่งร้ายครับอย่างไรก็ตามครับ ผู้ที่พ่อยอจะเจ็บปวดเพราะคําพูดของตัวเองจะเขานั้นจะถูกจับด้วยตาข่ายที่เขากางไว้ดักคนอื่นเช่นเดียวกันครับหากว่าเราเป็นคนที่มีอํานาจเราจะต้องใช้ความยุติธรรมครับเพราะความยุติธรรมนั้นนํามาซึ่งเสถียรภาพแห่งแผ่นดินและนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีแห่งแผ่นดินในขณะที่ผู้นําที่ละโมบนั้นทําให้ชนชาติล่มจมคนที่มีอํานาจนะครับที่คอร์รัปชันบีบขั้นเอาของกํานัน นะหรือคนที่มักได้คนต่างๆเราเนี่ครับในที่สุดแล้วก็จะนำให้ประเทศชาติล่มจมพี่น้องครับทุกอย่างนั้นอยู่ที่การเลือกของเราเรามีสิทธิที่จะเลือกขอให้เราเลือกอย่างปราศจากอคติขอให้เราเลือกอย่างปราศจากการเห็นแก่ตัวขอให้เราเลือกโดยการที่เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าเห็นแก่คนอื่นจะเป็นการเลือกที่เสียสละครับ แล้วการเลือกแบบนั้นนะครับจะทําให้บ้านเมืองเจริญทําให้องค์กรของเราเจริญทําให้สถ า, าบันที่เราอยู่นั้นเจริญทําให้ครอบครัวของเรานั้นเจริญเพราะเป็นการเลือกที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นการเลือกที่เกิดความชอบธรรมเป็นการเลือกที่ทําให้เราทั้งหลายได้และการเลือกที่อยู่ในคันลองของธรรมบทบัญญัติของพระเจ้าก็จะทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตต่อไป ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้หลายๆครั้งหลายๆท่านต้องตัดสินใจเลือกขอให้เลือกในทำเนสิ่งที่ดีครับขอให้เลือกในถูกต้องขอให้เลือกในการชอบธรรมทั้งหลายโดยที่ไม่ต้องเห็นแก่หน้าของใครไม่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของใครไปให้เลือกโดยที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน